แบ็คเจรสีทองกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในตอนที่ผู้คนในโลกยังคงหาอาหารโดยการล่าสัตว์ตบปลาเก็บผลไม้และเบอร์รี่จากในป่าและพุ่มไม้พวกเขาไม่สามารถปลูกพืชในดินแดนของเขาได้เพราะดินแข็งและมันยากเกินไปพวกเขาคิดว่าสิ่งที่โลกให้มานั้นมันเพียงพอแล้วดังนั้นเมื่อฤดูหนาวมาเยือน ผู้คนต่างยากแค้นแสนสาหัสแฟรี่แห่งพื้นดินเห็นสิ่งนี้และรู้สึกเสียใจอย่างมากพวกเขาจึงจัดประชุมกันขึ้นเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่ผู้คนจะไม่ต้องทนทุกข์ในฤ ด, ดูหนาวทำไมพวกเขาไม่ปลูกผลไม้กินเองนะน่ารบคาญจริงๆเจ้าจะบนไปทำไม ้าปลูกต้นมะม่วงไว้สามต้นเพราะพวกเดงๆนอยากกินมันมากนะฮึจะดีไหมถ้าพวกเราสอนวิธีให้พวกเขาปลูกพืชด้วยตัวเองนะความคิดดีมากตามนี้เราจะหาวิธีทำให้พวกเขาทำเช่นนี้วันหนึ่งมันเป็นวันเกิดของแฟรี่ทานตะวันเธออายุได้ส6หแล้วและแฟรี่ทั้งหมดจะมาร่วมฉลองในงานนี้ เขาจะมอบชุดสีด้ำงานแสนสวยนี้ให้กับนางข้ามั่นใจเลยว่านางจะดูงดงามมากหากสวมมันเขาาจจะมอบมองกุฎ ด, ดอกไม้ที่งดงามที่สุดให้กับนางเมื่อนางมองตัวเองในกระจกนั้นก็จะได้คิดถึงข้าเสมออ๋อเจ้านีหลงตัวเองชะมัดเลยนะแล้วเจ้าละ่ะโรบินเจ้าจะมอบอะไรให้กับนางละ่ะ โรบินเป็นแฟรี่แห่งนกและสัตว์ทั้งหมดในอาณาจักรเธอมองดูของขวัญของคนอื่นและเศร้าใจนิดหน่อยคือตอนนี้ข้ายังไม่รู้จะให้อะไรดีนะแต่ข้าจะมอบสิ่งที่สวยงามให้กับนางแน่นอนเย็นวันนั้นเธอนั่งคุยกับเพื่อนของเธอเอลฟเอลลี่เธอบอกเอลลี่ทุกอย่างเกี่ยวกับของขวัญที่สวยงามที่แฟรี่ทั้งสองนํามาแล้ว เขาจะมอบอะไรให้กับนางล่ะเขาจะมอบบางอย่างที่จะคุ้มครองนางและอยู่เคียงข้างนางเสมอเออโรบิน oh. ขยับมือและสร้างแบทเจอร์ออกมาด้วยเวทมนต์ทั้งหมดของเธอเออแบทเจอร์ oh. <Bad> ger, เหรอเดี๋ยวก่อนมาทําให้มันน่ารักขึ้นไปอีกดีกว่าเอลลี่ใช้พลังของเธอเพื่อเปลี่ยนสีของแบทเจอร์เป็นสีทองมันเปล่งประกายงดงาม และเวทมนต์ของเอลี่ทําให้แบตเจอร์แข็งแกร่งขึ้นรบบินไปที่งานเลี้ยงและมอบแบตเจอร์ให้กับทานตะวันทุกๆกคนประหลาดใจมากที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์เช่นนี้ว้าวฉันไม่เคยเห็นแบตเจอร์ที่งดงามเช่นนี้มาก่อนเลยนี่เนี่ยพิเศษสําหรับทานตวันเลยนะจ๊ะมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงให้กับเธอและจะคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอ ท่านตะวันตั้งชื่อแบตเจอร์ว่ากาลินที่แปลว่าทองคากาลินแข็งแรงและรวดเร็วมากเขาสามารถวิ่งได้หลายไมล์โดยที่ไม่เหนื่อยล้าและยังสามารถขุดหลุมลึกได้ด้วยอุ้งเท้าของเขาสวัสดีท่านตะวันเป็นยังไงบ้างละวันนี้เออหวัสดีคะ่ะท่านวันนี้อุ่นมากเลยค้าเพิ่งออกไปข้างนอกมามีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอท่านผู้อุโส ท่านดูเป็นกังวลจังเลยนะโอ้ไม่มีอะไรหรอกแค่เรื่องมนุษย์มนุษย์งั้นเหรอทิ้งเหรอคะบอกข้ามาเถอะข้าช่วยได้นะ <c oughs> งั้นก็รบกวนเจ้าด้วยนะดังนั้นเขาจึงเล่าทุกอย่างให้เธอฟังหลังจากที่ทาตวาวันได้ยินเธอก็คิดอยู่ครู่หนึ่งเราส่งเกลิ้นไปสอนมนุษย์ดีไหมคะ <c oughs> เขาสามารถขุดดินแข็งๆได้อย่างง่ายได้ เพื่อมนุษย์เนี่ยจะได้ปลูกพืชได้ด้วยค่ะกะลินเหรอใช่ความคิดดีมากเลยแต่ว่าเจ้าจะไม่คิดถึงเขาอย่างนั้นหรือโอ้คิดถึงสิคะแต่ข้าจะไปแค่ตอนกลางวันเท่านั้นในตอนเย็นเขาจะกลับบ้านดังนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมกอลิน <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเราจะส่งเขาไปหามนุษย์พรุ่งนี้นะ ดังนั้นวันถัดมากา ล, ลินจึงออกเดินทางอย่างมีความสุขและอยากรู้อยากเห็นที่ได้เจอมนุษย์ทุกๆคนต่างไม่เคยเห็นสัตว์ที่งดงามเช่นนี้มาก่อนนั่นเตัวอะไรกันน่ะข้าก็ไม่รู้แต่ว่ามันช่างงดงามจริงๆเลยล่ะกา ล, ลินเดินไปรอบๆ อ, อย่างมีความสุขและทันใดนั้นมันก็เริ่มขุดลงในดินอ๋อเจ้าสัตว์งูตัวนั้นกําลังทําอะไรอยู่เนี่ย มันเป็นบ้าไปแล้วเหรอไม่รู้นะแต่ข้าอยากรู้ว่ามันจะทำอะไรกาลิ่นคุดยังรวดเร็วและเมามันดินเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศและบางส่วนก็กระเด็นไปโดนคนไม่นานแบทเจอร์ที่แข็งแกร่งก็ขุดจนได้ผืนดินขนาดใหญ่จนกระทั่งถึงตอนเย็นกาลินเงยหน้าขึ้นและจากไปในไม่ช้าเออ อะไรกันเขาทิ้งดินไว้แค่นี้เองเน่ะเหรอหน้าเบื่อชะมัดเลยเขายังทำให้เราสกรปรกไปด้วยอีกนะใช่ไหมล่ะอีเมื่อถึงตอนค่ำผู้คนก็กลับไปวันต่อมาผู้คนออกมาจากบ้านและพบกาลินกำลังเดินเล่นที่พื้นดินนุ่มๆรอบๆเขามีนกตัวน้อยมากมายบินไรยรอบดูสิมันกลับมาแล้ว และเขายังเล่นกับนกอีกอะไรอีและเนี้ทินนี้และพวกนกเอาอะไรมาด้วยนั่นเนะ่ยดูพวกเขาทิ้งมันลงบนพื้นน่ะ้ตลกชะมัดเลยสัตตลกนั่นกําลังเหยียบบนของสกปรกพวกนั้น <c oughs> <c oughs> พวกนกเก็บมเมล็ดพืชทั้งหมดมาให้กาลิน่นและเขาก็กําลังปลูกพวกมันบนพื้นดินนกตัวหนึ่งได้ทําเมล็ดพืชตกลงใกล้ๆ ก, กับผู้หญิง มเมล็ดพืชนี่เนะเราเอามันไปคั่วแล้วก็กินได้นะนกงงงพวกนี้นำอาหารมาให้กับเราด้วยละ่ะปล่อยมันไว้แบบนั้นเถอะให้พวกนกทำอะไรก็ทำไปเถอะพวกเราเนะี่ยมีมเมล็ดพืชบ้างมาให้เอาไว้กินอยู่แล้วจากนั้นฝนก็ได้ตกลงมาพวกนกได้บินหนีไปและกาลินก็หายตัวไปเช่นกันผู้คนก็เข้าไปหลบฝนในบ้านเหมือนกัน ไม่กี่วันผ่านไปผู้หญิงสองคนกลับมาที่บ้านหลังจากไปเก็บผลไม้มาเออข้าเลยเกลียดฝนจริงๆเลยโดยเฉพาะหลังจากที่สัตว์ง่อพวกนั้นมาขุดดินดูเหมือนมันจะยิ่งตกบ่อยขึ้นนะทั้งเลือดทั้งเหนียวตัวนะ่ะอีฉันไม่รู้ว่าพวกมันจะทำไปทำไมเออดูสิมีต้นไม้เกิดขึ้นด้วยละออ ถ้าพูดถูก้วเนี่ยมันเป็นจุดเดียวกับที่พวกนกปล่อยเมล็ดพืชลงไปเลยนะโอ้ฝนโตอีกแล้วรีบไปกันเถอะพวกเธอวิ่งกลับไปที่บ้านและจากต้นไม้เล็กๆที่โตขึ้นไปวันเวลาผ่านไปมีต้นไม้เติบโตขึ้นแต่ไปหมดผลของมันสุกและหวานฉำ่ำว้าวเจ้าแบดเจอร์นะมันทำทั้งหมดนี่งั้นเหรอ เมือนจะเป็นอย่างนั้นถ้างั้นเจ้าก็นาจะปลูกต้นไม้จากเมล็ดพืชเด็กๆพวกนี้ได้ฟังดูน่าสนใจเฮ้ hey, อยากลองดูไหมล่ะผู้คนต่างลงไหลและพวกเขาก็เริ่มปลูกเมล็ดพันธุ์ต่างๆมากขึ้นแน่นอนบางเมล็ดก็ใช้เวลาเติบโตนานมากกว่าเมล็ดอื่นในขณะที่บางเมล็ดก็ไม่โตขึ้นเลยแต่ผู้คนยังคงอดทนและไม่นานพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าจะทําเช่นไร เรามีผลไม่มากมายเลยเรามีผักมากมายด้วยดีจริงๆอะที่ได้เรียนรู้วิธีปลูกพืชขอบคุณพระเจ้าที่ประทานสัตว์ตัวนั้นให้กับพวกเรานะข้าคงทําอย่างนั้นไม่ไหวหรอกนะใช่แล้วแต่ข้าก็ไม่คิดว่าเจ้าตัวน้อยนั่นดีไปกับพวกเราหรอกนะหมายถึงพวกเราต้องขุดอย่างงั้นเหรอเนี่ยไม่ใช่โดยมือของพวกเราแนะ่บางทีพวกเราอาจจะใช้หินหรือไม่ก็ไม้แหลมๆได้นะ ใช่ใช่จะปลอยสัตว์เก่งไปกว่าเราไม่ได้หรอกใช่แล้วล่ะแบตเจอร์ตัวนั้นแข็งแรงมากๆเลยแล้วมันก็ทำอาหารหรือว่าทำความสะอาดแบบเราไม่ได้พวกเราแกรงถ้ามันคุดได้เราก็ต้องทำได้สิดังนั้นผู้คนจึงเริ่มขุดดินเพื่อเพาะปลูกพวกเขาพบว่ามันไม่ง่ายเลยจึงเริ่มสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการกับดินโอ้ นี่มันยากสุดๆไปเลยอ๋อหลังฉันโอ้อย่าหยุดนะจ้ามาไว้ถ้ามันทำได้พวกเราก็ต้องทำได้แต่เมื่อพวกเขาเริ่มขุดดินในไม่ช้าผู้คนก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นและมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับพวกเขาไม่นานแบดเจอร์และผู้คนก็ทำงานเคียงข้างไปด้วยกันเอ้เจ้าหนูนักขุดส่องพลั่วมาให้ข้าหน่อยเซ่ขอบคุณนะ ใส่เมล็ดตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้อีกเม็ดเอ้าจะทําทค่ประหลาดใจเจ้าหนูนักขุดนักขุดงั่นหรอือนักขุดอะไรกันก็เขาขุดได้เยอะเลยไงพวกเราก็เลยเรียกเขาว่านักขุดเมื่อผู้คนเริ่มขุดที่ดินสําหรับเพาะปลูกได้ด้วยตัวเองกาลินก็เริ่มมาหาพวกมนุษย์น้อยลงจนในที่สุดเขาก็เลิกมาอีกเลยหลายปีผ่านไป ผู้คนที่รู้จักเขาเริ่มแก่เท่าลงและเริ่มลืมเรื่องของเขาไปอ๋อแม่ฮะมันยากมากเลยผมอยากไปเล่นมากกว่าอ๋อมันก็ยากสําหรับเราทั้งคู่ลูกรักแม่มีสัตวแปลกๆที่งดงามมาช่วยพวกเรานะโอ้ใช่พ่อเกือบลืมเรื่องของมันไปแล้วนะมันชื่ออะไรนะมือขุดเหรอหรือว่านักขุดใช่แล้วนะักขุดสถตีงดงามที่คอยช่วยขุด และสอนการปลูกให้เก็บผูเรานะสัตว์สอนแม่เกี่ยวกับการปลูกพืชอย่างงั้นเหรอเนี่ยมันแ ป, กแปลกๆนะแม่ว่าไหมแล้วขุดอยู่ที่ไหนกันหลหรครับเนี่ยฮะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆเนี่ยมันก็หายไปเฉยๆผมไม่เชื่อหรอกนะครับแม้คิดดูแล้วแม่ก็ว่ามันราวกับเว็ดมวลไปเลยลูกต้องไม่เชื่อมันก็ได้ฮะ ส, สอนวิธีปลูกพืชทั้งหมดให้กับเราอย่างนั้นเหรอตลกมากเลยผมจะไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังที่โรงเรียนด้วยเหตุ น, นี้กาลิ่นจึงกลายเป็นเรื่องเล่าสืบต่อไปทั่วโลกและเด็กๆ ก, ก็รักมัน